ลาบที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตคือการเปลี่ยนใจมืดๆให้กลับมาสว่างได้ลาบหลุดมือจะได้แล้วไม่ได้ประเภทบุดวิดโดนเลกท้ายจะรับมรดกแล้วชวดให้คนอื่นเกือบเลื่อนขั้นแต่เจอตัดหน้าควรขายได้เห็นๆแต่แปลกนัดเจอคนสำคัญแล้วเขายกเลิก มีคนจะให้ของแถมแต่ไปไม่ทันทำกับมือแทบตายแต่คนอื่นได้หน้าและอื่นอื่นลาบหลุดมือชนิดที่ทาให้คุณเสียดายจนหน้ามืดหรือเจ็บใจจนอยากทำร้ายใครสักคนเป็นวิบากเก่าจากการรมประเภทบอกว่าจะให้แล้วไม่ให้หรือไปขัดลาบพึงมีพึงได้ของคนอื่นหลังลาบหลุดมือคนมักจมอยู่กับจิตมื ด, มด คิดไม่ดีด่ามนุษย์ด่าฟ้าดินด่าโชคชะตาไปสามวันเจ็ดวันหรือกระทั่งหาทางประทุษร้ายใครบางคนฉะนั้นลาบหลุดมือจึงอาจเป็นเรื่องใหญ่ชดบุญเก่ายังได้ทำบาปใหม่เมื่อมันเกิดขึ้นกับคุณจึงจัดเป็นอัปมงคลร้ายแรงอย่างหนึ่งในชีวิตลาบหลุดมือลองต่อลาบให้คนอื่น แล้วจะได้ลาบกลับคืนมาหลายเท่าลองตั้งใจไว้เลยว่าเมื่อใดเจอเรื่องประเภทลาบหลุดมือให้เอาสิ่งที่คุณมีไปบริจาคเป็นลาบของคนอื่นยิ่งถ้าไม่ลำบากสามารถให้ลาบที่เป็นประโยชน์แก่ใครได้เท่าที่คุณเพิ่งเสียไปเช่นเสียลาบหนึ่งริีบให้คนอื่นหนึ่งรหรือแม้แต่ซื้ออาหารนกปลาร้อยห้าสิบจะเท่ากับเป็นการแก้ของเสียสองทบ ทบรรกแก้ใจเสียเียเปลี่ยนใจบาปเป็นใจบุญทบสองใจนี้เก่าด้วยจิตดีๆไม่มีความอาลัยลาบที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตคือการเปลี่ยนใจมืดดให้กลับมาสว่างได้ของเก่าเน่าๆหายไปเพื่อให้ได้ของใหม่ดีๆกลับมาความรู้สึกที่เปลี่ยนร้ายใหกลายเป็นดีนั่นแหละ สุดยอดแห่งลาบทั้งปวงความรู้สึกของคุณคือได้ลาบเกินกว่าที่เสียไปหลายเท่าไม่ว่าจะมีรางวัลตอบแทนจากนอกตัวหรือไม่